อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2557เป็นวันแรม7ค่ำเดือน12ปีมะเมียด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งสำหรับรายการธรรมารับอรุณนี้ ในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะโดยดิฉันจะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสอบถามปัญหาหรือว่าพูดคุยธรรมะสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูรณ์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรการหลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาอาจากพุทธโอษแบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไห่โศกนะคะ ซึ่งวัดป่าดอนหโศกนี่ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีค่ะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระคุณสิทธิประพากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะขอนําท่านผู้ฟังมากราบนมสักการพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบน้มสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่าะเจเียมพานสาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้โยมอยากขอหยิบยกคําถามหรือว่าสิ่งที่ทางคุณปรีชา บุญพักดีได้เขียนถามเข้ามานะเจ้าคะเป็นเรื่องที่คุณปรีชาเขียนมายาวมากๆเลยแต่โดยสรุปแล้วก็คือเป็นเรื่องของการที่คุณปรีชาเนี่ยได้ฝึกนั่งสมาธิมานานเลยนะเจ้าคะตั้งแต่ปี2522แล้วก็ฝึกสมาธิเรื่อยมาแต่ตอนนี้เนี่ยพ อ, อฝึกสมาธิเนี่ยมีหลายๆครั้งโยมอยากจะขอเล่าโ ด, โดยสรุปว่าจิตของคุณปรีชาเนี่ยเจ้าค่ะบางทีก็เหมือนกับจิต ก็ไปเกาะที่ท้องมั่งแล้วก็แบบออกสมาธิแล้วก็ยังปวดที่ท้องหรือว่าจิต ด, ดิ่งขึ้นหรือว่าไม่ไม่ไม่ดิ่งไม่ดิงด่งขึ้นดิ่งสูงดิ่งต่ำอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะแล้วก็มีเกิดปีติอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะแล้วก็ถามว่าอันนี้เป็นฌานหรือเปล่ายมก็เลยอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงให้คุณปีชาและท่านผู้ฟังทางบ้านที่อาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับทางคุณปรีชานี้ได้รับทราบเลยนะเจ้าคะ่ะกลับนำ้ำมศการเลยเจ้าคะ่ะเจียปาน ถ้าพูดถึงเรื่องของอาการของจิตอนะนะคุณเดนใจที่เช่นว่าเรามีอาการเหมือนกับบูบลงไปตกเหวอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็คันหน้าคันแขนเลยไปดืมลืมตาดูอ่ะมันเหมือนมีมดแต่ลืมตาดูก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ามันจะมีเหมือนกับลอยขึ้นจนตัวแบบจะชนเพดานอย่างนี้แต่บางทีก็อาการแบบจิตแบบลอยแบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนจะเต็มห้องอย่างนี้ ในบางทีจิตก็เล็กลงเล็กลงเหมือนเท่ากับปลายเข็มอย่างนี้อันนี้เป็นลักษณะอาการที่เรียกว่าเป็นนิมิตนะ น, นี่เกิดในจิตของเร า, าบางทีเป็นเสียงก็มีนะ น, นี่คือลักษณะของนิมิตภาพนิมิตความรู้สึกก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างปาเป็นลักษณะของการปรุงแต่งของจิตจาการปรุงแต่งของจิตซึ่งการปรุงแต่งของจิตนี้สัพทที่พระพุทธเจ้าใช้ก็ใช้คําว่าจิตตสังขารคือจิตมันก็จะไปปรุงแต่งได้ หลายร้อยแบบนะคือที่พูดมานี่คือยกตัวอย่างเฉยๆนะมันจะมีอีกหลายๆอย่างอ่ะคุณเดินใจเช่นเหมือนมืดบ้างเหมือนสว่างบ้างนะเหมือนกับเอ่อแล่นไปด้วยความเร็วสูงนะหรือว่าเหมือนกับถูกฝังเดินอยู่โอ้หลายอย่างอืมเจ้าค่ะแนะถามว่าไอ้พวกเนี้ยเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเราควรจะทําอย่างไรแตนะ่ซึ่งตรงนี้เรานับได้ไม่ท้วนเลยแต่ละคนก็จะมีแต่ละแบบเอ่อคนฝึกแบบนี้อายุ ถัดมาต่อไปก็เป็นอีกแบบหนึ่งอย่างนี้นะแต่ตัวนี้คือการปรุงแต่งของจิตยอย่างที่ว่าแตนะ่ถ้าเกิดขึ้นแล้วนะต้องถามก่อนว่าเราพิจารณาดูเอา้าเราพิจารณาดูนะว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นความรู้สึกก็ตามเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นภาพเป็นเสียงเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราพิจารณาดูว่ามันเกิดขึ้นตลอดหรือไม่แตนะ่ถ้าลองถามตัวเองดูลองถามตัวเองดูเฮ้สิ่งที่เราเห็นที่เราเจอเนี่ย เป็นความรู้สึกแบบนี้แบบนั้นเร็วๆปี๊ดหรือว่าเล็กๆหรือใหญ่ๆหรือเหมัอนตกเหวหรือเหมือนลอยฟ้าเนี่ยไอความรู้สึกอารมณ์พวกเนี้ยอาตมาเรียกรวมไปเลยนะว่าความรู้สึกอารมณ์พวกเนี้ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือไม่ถ้าถามคุณตนใจอย่างเงี้ยคุณตใจจะตอบแทนคุณปรีชาว่าอย่างไรโยมจะบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกันทุกครั้งนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดบางที่ครั้งเดียวด้วยซ้ําบางทีอาจจะสองสาครั้งติดกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดทุกครั้งถูกไหม เกิดบางครั้งบ้างเกิดบางคราวบ้างบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดแสดงว่ามันมีความที่มันไม่เที่ยงอยู่ถูกไหมมันไม่เกิดตลอดเวลามันก็ไม่เที่ยงถูกไหมสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะพระพุทธชจ้าสอนไว้นะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถูกไหมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์และมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาถูกไหมควรแล้วหรือหนอที่เราจะเห็นสิ่งนั้นเนี่ยว่าเป็นของเราว่ามีในเราว่าเรามีในสิ่งนั้นว่าสิ่งนนนั้้มมีใเรรราคววแลหือไ่ ไม่ควรเจ้าค่ะไม่ควรถูกไหมเพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาโอเคสิ่งใดที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะมาเห็นว่ามีในเราเรามีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นเราหรือเราเป็นสิ่งนั้นไม่ควรจะเห็นว่าอย่างนั้นอืมเจ้าค่ะเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาเอ้ามันเป็นอนัตตานี่มันเป็นยังไงคือมันเกิดตามเหตุปัจจัยของมันมันอาจจะมีเหตุปัจจัยอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง นะ่ถ้าเราจะไปเที่ยวหานะว่าเอผมเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นเพราะอะไรอะหรือเป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยสักอย่างใดอย่างหนึ่งแหละคุณใจนะิจใจซึ่งอาจจะเป็นทางด้านกายภาพอาจจะเป็นทั้งด้านเรื่องของกรรมอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โอโ้โหได้ 108, like. ร้อยแปดพันอย่างอืมเจ้นะต่อให้มันเป็นอะไรก็ตามเถอะนะต่อให้มันเป็นอะไรก็ตามเถอะถ้ามันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยเหตุแล้วจึงเกิดขึ้นได้สิ่งนั้นเป็นอนัตตาแน่นอนถูกไหม ได้เป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นว่านั่นเป็นของเรานั่นมีในตัวเราเราเป็นสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นเกิดขึ้นในเราไม่ควรนะคุณสนใจจะมาตอไบไหมเจ้าค่ะไม่ควรไม่ควรจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นตัวเราของเราบางทีบางคนก็อาจจะคิดว่าเออใช่ใช่คือผมก็เห็นหละว่าอันนี้ไม่ใช่ของผมแต่อยากทราบเนี อา้าถ้าเราอยากทราบแสดงว่าเราเอามาพูดต่อเราเอามาคิดทบทวนเรามาใคร่ครวญเนี่ยแสดงว่าเราเห็นว่าสิ่งนี้มีในเราอืมเจ้าค่ะถ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้ในเรามันไม่ใช่แล้วเราไม่ควรจะเห็นว่าสิ่งนี้มีในเราเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุปัจจัยของเขาแล้วเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเราควบคุมได้ไหมไม่ได้นะควบไม่ได้ดค่ะไม่ได้เพราะว่า สิ่งนั้นมันมีเหตุปัจจัยมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นเรื่อยๆไปอะ่ะซึ่งเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นมันมีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่มันไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมได้ว่าเอางั้นตอนนี้เกิด ต, ตอนนี้ไม่เกิดให้เกิดตลอดหรือไม่ให้เกิดตลอดนะมันจึงเกิดบ้างไม่เกิดบ้างมีคุณสมบัติอย่างที่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงนี้แหละเจ้าจึงเป็นประเด็นที่จะต้องบอกคุณปรีชาแล้วก็ท่านผู้ฟังอื่นๆด้วยที่มีลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยแหละว่าทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินนั้นที่เราขณะที่นั่งสมาธิแล้วมันเกิดขึ้นเป็นแสงก็ตามเป็นเหมือนเสียงมากระซิบในหูเป็นอาการลอยขึ้นอาการลอยลงตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนจิตไปเกาะที่ใดที่หนึ่งอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยสิ่งนั้นทั้งหมดสิ่งนั้นทั้งหมดนี่ยมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ท่องไว้เลยสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งในเป็นอนัตตาสิ่งนั้น ไม่ควรเชื่ว่ามีในเราไม่ควรเชื่ว่าเรามีสิ่งนั้นไม่ควรเชื่ว่าสิ่ง น, นั้นอยู่ในเราหรือเราเป็นสิ่ง น, น, นั้นอะไรพวกเนี้ยไม่ควรเชื่ว่ามันเป็นตัวเราของเราไม่ควรเห็นเลยอืมจ <Anton ia. S 1> สิ่งในที่เราควรเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยเราควรจะทํำยังไงกับมันก็ต้อง ไม่ไม่ต้องใส่ใจมันใช่ไหมเจ้าคะควรจะต้องละมันเสียถูกต้องไหมครับเราควรจะต้องละมันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งใดไม่ใช่ของเราเราก็ละมันเสียนี่ท่องไว้เลยท่องเอาไว้เลยนะจะมาท่องไว้เลยนะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์สิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งใดไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นเราต้องละมันเสีย เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ม่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกใดๆต่างๆเนี่ยเราต้องละมันเสียเอาแล้วเราจะละอันละมันได้ไง อ, อืมนี่คือวิธีการที่กําลังจะพูดต่อไปว่าเราก็ตั้งสติเอาไว้เนี่ยเราก็ตั้งสติเอาไว้มันจะมาสอนคล้องกับวิธีการฝึกปฏิบัติที่เราได้พูดกันอยู่เป็นประจําในรายการนะคุณเฉลิมใจที่พูดถึงเรื่องอนาปานาสตินะว่าอา้าวพระพุทธเจ้าให้เราทําการศึกษาฝนให้เป็นผู้ที่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิต มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเดี๋ยวพวกนี้ทั้งหมดนะคือการปรุงแต่งของจิตเราต้องมีสติอยู่ก่อนแลนะมีสติในการที่จะไม่ตามมันไปไม่ให้สิ่งนั้นมาครอบงำตั้งอยู่ในจิตของเราไม่ให้เราไปลุ่มหลงเห่งสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราเรามีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีในเราอย่าเป็นอย่างนั้นเราต้องตั้งสเสตียไว้ก่อนตั้งสเสตียไว้ก่อนแต่บางทีอาจจะยังละไม่ได้นะคราวนี้ก็คันหน้าคราวต่อไปนั่งกับคันหลังนะคราวต่อไปนั่งกับคันมือเฮ้ทําไมคันมันยังละไม่ได้ แ ต, ต่ตั้งสติให้ดีก่อนตันะ้งสติให้ดีก่อนแตพอเราตั้งสติให้ดีแล้วแตนะ่ทั้งทั้งที่ไม่มีตัวอะไรมาเกาะมาไต่แต่ก็เรารู้สึกเหมือนกบบยุบยิบยๆยบคันขึ้นมาอย่างนีนะ้นี่คือการปรุงแต่งของกายเการปรุงแต่งของจิตเกิดขึ้นได้เราตั้งสติให้ดีตั้งสติให้ดีนะทําการปรุงแต่งของจิตเนี่ยให้ระงรับทําการปรุงแต่งทางกายเนี่ยให้ระงรับนะนี่เป็นพุทธพจน์ที่มีอยู่ในอนาปานและสติสูตรเลยคุณตาใจว่าเราก็ทําการปรุงแต่งของจิตให้ระงับ ทำการปรุงแต่งต่างกๆให้ระ ง, งับแ ล, แล้วก็ให้มีสติอยู่ในลมหายใจเ <_ an> ข้าลมหายใจออกต่อไปเจ้าค่นะเราจะละมันได้วางมันได้เราต้องเอาสตนะิตั้งขึ้นเอาไว้ก่อนให้จิตของเราอยู่กับสติก่อนไม่เผลอไม่ให้เพลินไม่ให้ใหใหตามมันไปเพราะว่าถ้าเราเผลอเพลินตามมันไปเนี่ยคุณใจมันอันตรายมากนบางทีเราเป็นบ้าได้เหลยเจ้าค่ะอ่มันเลยเถอดไปถึงขั้นนั้นได้ใช่เจ้าค่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าตามเสียง ตามแสงตามภาพพวกเนี้นะเขาเรียกว่าวิปลาสภาพวิปลาสเสียงก็มีออืมเพราะฉะนั้นจะทําไงไม่ให้วิปลาสไปตามนั้นก็อย่าตามมันอย่าตามมันนะเราจะไม่ตามได้จิตเราต้องมีที่ตั้งที่ระลึกถึงที่เกาะที่พึ่งที่ตั้งที่ระลึกถึงที่เกาะที่พึ่งนั้นคือสตินั่นคือสติสติจะเป็นเรื่องรักษาจิตเอาไว้นะจิตเราพอมีสติตั้งขึ้นแล้วมันก็เกาะอยู่ นะเรใช่แน่นอนบางทีเรารับรู้สิ่งต่างๆอันนี้เป็นไปได้ในขณะที่เรามีสติเกาะอยู่ทีนี้การรับรู้ตรงนั้นก็จะไม่ให้จิตนั้นเนี่ยไหลไปตามสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะไม่มาสามารถครอบงาตั้งอยู่ในจิตได้ไม่สามารถที่จะมาเกลือกลัว้วไม่สามารถที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตได้เราก็รู้เฉยๆแล้วมันก็ไปตามทางของมันมคือคถ้าเหตุ ป, ปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นของอารมณ์ความรู้สึกนั้นยังมีอยู่มันก็ยังยังมีอยู่ละ แต่ถ้าเหตุปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นของอารมณ์ความรู้สึกนั้นไม่มีอยู่มันก็จะดับไปอืมเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งนั้นที่มันมาให้มันไปเจ้าก็ธรรมดาเอาตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนอย่างเช่นอาการเจ็บป่วยทางร่างกายเป็นย่างๆนะเช่นคุณนั่งแล้วปวดหลังนะะซึ่งบางทีอถ้าเราตั้งสติไว้ดีๆอาการปวดหลังนี้มันดีมันหายไป หลายๆคนก็เคยมีประสบการณ์นี้ว่าปวดขาอย่างนี้เป็นต้นนะ้ะนั่งไปนั่งไปเอาสู้นะไม่ถอยไม่วางไม่ละไม่สนใจมันเออมันอยู่ๆมันก็หายปวดไปเองใช่ไหมเจ้าค่ะที น, นี้บางทีมันไม่หายเช่นบางคนที่เป็นอาการเจ็บไข้นะในทางร่างกายไปพาหลังพาเข่ามาอย่างเงี้ยนั่งดูมันเป็นชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่หายเจ็บสทัทีอันนี้ก็เพราะว่าเหตุแห่งเวทนาความรู้สึกนั้นมันยังมีอยู่ เนีมันก็ไม่หายไปสักทีล่ะแต่เหตุถ้าเหตุแห่งความรู้สึกนั้นมันหายไปหรือเวทนานั้นมันก็จะต้องดับไปซึ่งมันก็เป็นลักษณะนี้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแต่เหตุไอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากเหตุนี่แหละก็เรียกว่าเป็นอนัตตานะคือตัวมันเองไม่ได้มีความเป็นตัวตนของมันเองได้เลยะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอืเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิธีการปฏิบัติตรงเนี้ยถ้าจะพูดถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ย ก็คือว่าเราจะต้องตั้งสติเอาไว้เดินใจนะอันนี้เป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกเริ่มตรัสรู้ใหม่ๆนะคิดว่าจะสอนสัตว์โลกแล้วเอจะสอนอะไรดีแล้วก็มานึกถึงว่าสติประฐานสี่นี่แหละเป็นทางอันเอกนะเป็นทางทางเดียวเลยที่จะพาสัตว์เนี่ยให้ข้ามล่วงจากความทุกข์ไปได้ <Okay. S 1> สติเนี่ยคือเป็นเรื่องที่สาคัญเลยตั้งแต่ ก่อนจะสอนสัตว์โลกแล้วเนี่ยก็คิดถึงเรื่องว่าจะสอนสติตรงนี้ก่อนแต่ตอนอสุดท้ายหลังก่อนการบริณิพานคืนนั้นคืนปริณิพานนั่นแหละในยามสุดท้ายขอยงเราตรีค่าสุดท้ายที่พระพุทธเจ้า ต, ตาร์ตรัดน่ยก็พูดถึงความไม่ประมาทในเส้นความไม่ประมาตก็คือสตินั่นเองเจ้าค่ะแต่พราะนั้นตรงนี้คือเราตั้งสติขึ้นและนี่คือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องอือเจ้าค่ะทีนี้ ที่พระอาจารย์ตอบมานี่โยมสรุปง่ายๆก็คือว่าการที่บางคนหรือบางท่านอย่างเช่นคุณปรีชาเนี่ยเจ้าค่ ะ, ะแม้ว่าจะนั่งสมาธิมานานเนี่ยแต่ว่าก็มีหลายๆครั้งที่จิตอาจจะเหมือนกับปิจ น, นาการมีมีดไป<ง>เองใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็พระอาจารย์ก็แนะนําว่าใครที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็อย่าคือวางมันเสียก็คืออย่าไปสนใจใถูกไหมเจ้าค่ะตั้งสติไว้แล้วก็ทําสมาธิต่อไป ไอ้พวกนี้อันนี้มีทั้งหลายแหละซึ่งมันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็จะหายไปเองถูกไหมเจ้าคะมันก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอืเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่มันก็มีอยู่ถ้าเหตุปัจจัยมันดับไปมันก็จะดับไปเองได้ออืสาธุเจ้าค่ะทีนี้มีมีนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะที่มีคุณมารีได้เขียนถามมาเหมือนกันนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินั่งสมาธินี่แหละคุณมารีก็บอกว่าฝึกนั่งสมาธิเนี่ย เองแล้วก็ทำมานานแล้วโดยศึกษาจากหนังสือธรรมะนะเจ้าคะ่ะก็ใจก็สงบดีหรอกแต่ตอนนี้พอมาเป็นแฟนรายการฟังรายการธรรมะรับอรุณซึ่งพระอาจารย์ได้ได้เทศสอนหรือว่าพูดคุยเป็นประจำเนี่ยก็เลยเขียนถามมาเจ้าค่ะว่าอยากจะทราบว่าข้อปฏิบัติที่ถูกต้องของการทำสมาธินั้นนะเป็นอย่างไร <Okay. S 1> อันนี้โยมคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับ ที่ว่าหลังจากที่ตอบคุณปรีชาแล้วนะเจ้าคะก็น่าจะฟังว่าไอ้ที่ถูกต้องมันเป็นยังไงเจ้าคะ่ะนี่มอนเลยเจ้าคะ่ะที่เราเราไล่ตามกระบวนการที่พระปรีชาได้สอนเอาไว้เ <c oughs> นาว่าโอเคหลังจากตัดสินใจแล้วว่าจะสอนสัตว์โลกเนี๋ยจะสอนอะไรดีเราก็ดํานิถึงเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4 <c oughs> เพราะฉะนั้นดับแรกก่อนเราต้องตั้งสติขึ้ น, น, นเราต้องตั้งสติขึ้นหลักการง่ายๆคือเราต้องมีสติทีนี้ไอ้สติที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมาจากเครื่องมืออะไรได้บ้าง ซึ่งอนุสตนะิก็คือเครื่องมือในการที่จะทําสติให้ตั้งขึ้นได้พระพุทธเจ้าก็ได้ให้ไว้อยู่หลายอย่างสิบนะอย่างเป็นอย่างน้อยอเช่นเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติระลึกถึงพระสงฆ์เป็นสังขารนุสติระลึกถึงศีลการทําความดีของเรานะก็เป็นศีลานุสตนะิพวกนี้ได้หลายอย่างสิ่งที่อาตมาใช้เองอยู่เป็นประจำนะมีอยู่2 อ, อย่างหนะึ่งคือกายคาตาสติ นี่ยคือการเอาสติตั้งไว้ในกายแล้วก็อานาปานสตินี่ยคือการเอาการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจนี่คือสิ่ง <Okay. S 1> ที่อาจมาตัวเองทําเอง <Okay. S 1> แล้วก็บอกสอนลูกศิษย์ลูกหาให้ทําอย่างนี้ด้วยก็ได้นะซึ่งการ <Okay. S 1> ที่เราจะฝึกตั้งสติขึ้นแลนะคเครื่องมือที่เราใช้คือกายของเราหรือว่าลมหายใจของเราซึ่งแน่นอนลมหายใจของเราก็เป็นกายอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเริ่มตั้งง่ายๆเลยคุณเตือนใจเราหายใจอยู่ไหมลองจับจ ม, มูกดูเนี่ยถ้ามัน <Okay. S 1> มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่เอาเอามันตรงนั้นเอามันตรงนั้น mm hmm. เอาจิตของเราเนี่ยลักษณะนะการที่เราระลึกถึงเนี่ยคือการที่เราเอาจิตของเราเนี่ยมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจของเรา <Okay. S 1> คือการระลึกถึงและสติแปลว่าการระลึกได้การระลึกได้ก็หมายถึงว่าเราคิดถึงใครอย่างสมมติเราคิดถึงแม่เราแนี่เราก็นึกถึงหน้าแม่อยู่ในใจใช่ไหม เราคิดถึงพ่อคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เราคิดถึงได้แต่ซึ่งการคิดถึงการระลึกถึงตรงเนี้ยเอามาคิดถึงระลึกถึงลมหายใจเอามาคิดถึงระลึกถึงลมหายใจเอาแล้วถามว่าลมหายใจมันอยู่ไหนมันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมอ่าเราจะรู้สึกถึงลมหายใจได้ไงแล้วมันก็เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่ต่อเวลานะพระพุทธเจ้าก็แนะนําว่าเอาถ้าอย่างนั้นนะให้มาคิดถึงให้มาระลึกถึงลมหายใจเนี่ยตรงตําแหน่งที่มันเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจเอามันตรงนั้น ซึ่งทางเข้าทางออกเนี่ยของลมหายใจก็คือจมูกเรานั่นเองเโดยปกติเราจะหายใจเข้าหายใจออกผ่านทางจมูกเป็นหลักนคนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้นยกเว้นคนที่ใช้เครื่องช่วยหายใจหรือว่าคนที่ไปดำน้ำําประดาน้ำํำเราก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าโดยปกติเราหายใจเข้าหายใจออกทางจมูก เ, เราก็เอาจิตของเราเตั้งไว้ตรงนีน้บริเวณไหนสักบริเวณหนึ่งที่เราพอจะรับรู้ถึงสัมผัสของไอ้เจ้าลมหายใจที่มันเข้ามันออกได้ โดยที่ไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องนะไม่ต้องตามลมออกจากท้องกะ บ, บังลมอกคอมาจนถึงข้างนอกไม่เอาอย่างนั้น <Okay. S 1> แต่รู้อยู่ที่จุดเดียวแต่คือบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจนะเราตั้งสติกองเรไว้ที่นีนะ่นี่คือเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ถูกค่ะทีนี้ว่าแน่นอนในขณะที่เรากำลังตั้งสติอยู่เนี่ยมันก็จะมีอะไรเรื่องต่างๆมาพยายามที่ให้เราลืมลืมหลงลมหายใจ เผลอสติอว่างันเนะ่ยเช่นมีความรู้สึกเหมือนตกเหวมีความรู้สึกเหมือนลอยขึ้นเอ๊ะทำไมจิตฉันมันเล็กลงหรือจิตฉันมันใหญ่ขึ้นเอ๊ะทำไมจิตไปอยู่ที่ท้องมันไม่ไม่อยู่ที่จมูกเนะ่ยหรือมันคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเ ร, คเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องที่บ้านเรื่องที่โรงเรียนเนะ่ยหรือมันมีเสียงอะไรผ่านเข้ามาพวกนี้จะเป็นเครื่องที่ทําให้เราเผลอสติทั้งนั้นเนะ่ยสุดท้ายก็ลืมลมหายใ จ, จตรงนี้ก็เรียกว่าอุปสรรคอุปสรรค มาในรูปแบบของความฟุ้งซ่านบ้างมาในรูปแบบของความง่วงบ้างง่วงจนลืมลมอะ่ะอย่างนี้ก็มีมหรือว่ามาในรูปแบบของความคิดนึกไปในทางการความคิดนึกไปในทางพยาบาทอันนี้พวกนี้คือนิวรนแล้วก็นิมิตต่างๆอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่อา้าวเราจะทำยังไงเราจะยังไงหลักการมันตรงนี้คุณเนใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสไป ง, งี้บอกว่าถ้าเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยนะถ้าตริตรึกในเรื่องใดๆมาก ให้เขามันไปอยู่กับอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆมากเนี่ยจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะจิตของเรานะถ้าตริตรึกนะหรือว่าน้อมไปในอารมณ์ความรู้สึกใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจิตของเราเนี่ยไปคิดเรื่องตรงนั้นตรงนี้นะไปตามความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมากสิ่งนั้นเนี่ยก็จะมีกําลังมากเกินกํำลังมากเกิน ในเครื่อง<ช>ที่มันจะมาดึงจิตเราให้มันเผลอสติเครืคร่องที่จะมาดึงจิตเราให้มันไม่เป็นสมาธิได้มันก็จะยิ่งมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นแต่เราไปใค ร, คร่ครวญว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นาะทาไมเหมือนแบบไปเร็วๆทําไมเหมือนกับอยู่นิ่งๆเหมือนลอยขึ้นตกเหวเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นาะคิดอยู่<ช>นั่นเนี่ยถ้าคิดอยู่นั่นน่ยสิ่งนั้นก็ยิ่งจะโตขึ้นมีกําลังมากขึ้นอืมจะค่ะแต่แต่ในทางตรงนข้ามหลักการเดียวกันนะถ้าเราตรึกตรึกในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นนะ ถ้าเรามาตริตึกคิดถึงเรื่องของลมหายใจมากนะาณาปานาสติของเราก็จะมีกําลังมากขึ้นสติของเราก็จะมีกําลังมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบให้ฟังแนะนําไว้เนหะมือนกับการที่เร า, เาผูกสตัตว์ไว้นะคือมีสัตว์อยู่หกชนิดละ่ะถ้าเราเอามันมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งนะปลายเชือกเส้นหนึ่งผูกไว้ที่ตัวสตัตวนะ์ปลายเชือกอีกเส้นหนึ่งเนี่ย เ, เราก็ต้องเอามาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลัก เสาเกินเสาหลักถ้าผูกเอาไว้แล้วนะมันจะดึงมันจะงไงเนี่ยมันก็จะห น, นีไปไม่ได้เจกค่ะซึ่งเสาเกินเสาหลอกในที่นี้ก็คือเปรียบเหมือนกับกายยาขตตสติหนะรือว่าเราใช้ลมหายใจก็ได้หรือว่าเราตั้งสติไว้ในกายคือมันต้องมีสติเป็นที่ตั้งคนะแล้วก็ผูจกจิตของเราไว้ยอยู่ที่นี่ผู <Jeremy. S 1> กจิตของเราไว้ยอยู่ที่นี่ก็คนะือให้จิตของเราเนี่ยมาสนใจอยู่ที่นี่นมาสนใจอยู่ที่นี่เพราะถ้าจิตเราสนใจที่นี่มากขึ้นและมากขึ้น เพราะว่าถ้าจิตของเราสนใจอยู่ที่นี่สติที่ตั้งขึ้นตรงนั้นก็จะค่อยมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นถ้าจิตของเราไม่ได้ไปสนใจอยู่กับเครื่องดึงเครื่องย่อยยนอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นไอารมณเครื่องย่อโยนอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นก็จะอ่อนกําลังลงอ่อน ก, กําลังลงตรงนี้คือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเราต้องรู้ว่าเราไม่ควรสนใจอะไรเราต้องรู้เราควรสนใจอะไรสิ่งที่เราไม่ควรจะสนใจแล้วมันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะ คือมันเกิดขึ้นแน่แต่เราไม่ควรจะสนใจมันนะคืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เป็นภายนอกนะอย่างที่ว่าเลยแหละตกเหว เ, เหมือนลอยขึ้นเหมือนมีอะไรคันๆนะซึ่งเป็นนิมิตอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นแน่นอนแต่เราไม่ควรสนใจมันนะเพราะว่าถ้าสนใจมันแล้วมันจะมีกําลังมากขึ้นเราไม่ควรสนใจมันแล้วเราควรจะไปสนใจอะไรลนะ่ะเพราะว่าจิตมันมีสภาพะที่ต้องไปอยู่ใช่ไหม เราก็ควรจะต้องมาสนใจกับที่ตั้งที่ระลึกถึงของเราซึ่งถ้าในกรณีนี้ก็คือลมหายใจในกรณีนี้ก็คือกายของเราเรามาสนใจตรงนี้ให้มันมากขึ้นใน ต, ตรงเนี้ยที่ว่าเป็นสติเนี่ยก็จะมีกําลังมากขึ้นสิ่งที่เราไม่ให้ความสนใจมันมันก็จะมีกําลังน้อยลงมันอาจจะแวบเวียนมาบางครั้งบางคราวแต่กําลังมันจะน้อยลงมันจะค่อยๆห่างออกห่างออกและแต่ละครั้งที่มาก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลง มันจะเป็นอย่างน <Okay. S 2> ี้แต่ต้องระวังนะเพราะมันก็จะยังมาอยู่บางครั้งบางคราวแต่เมื่อไหร่ที่เราไปสนใจมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะแข็งแรงขึ้นทันที <Okay. S 2> นเราก็ต้องไม่สนใจมันโดยการที่ไม่ลืมหลงลมหายใจโดยการที่ตั้งสติไว้กับลมหายใจมีสติไม่ลืมหลงมีสติฝึกไว้อยู่อย่างต่อนเนื่อง เ, อเหตุปัจจัยอื่นรเราก็ต้องสร้างด้วยเช่นว่าการที่รู้จักประมาณในการบริโภค หรือว่าการที่เสพสซยาสนะอันสงัดการฟังธรรมะา ก, การรูร้จักสํารวมอินทรีย์เหตุปัจจัยเหล่านี้จะช่วยได้มากเหมือนกันอืเจ้าค่ ะ, คะสาธุเจ้าค่ะยมขอถามเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เ <บา S 2> จ้าค่ะที่อาณาปนานสติเนี่ยยมคิดว่าทุกท่านเข้าใจละตัวโยมเองก็เข้าใจแต่กายกายสติเจ้าค่ะอันนี้ที่อาจารย์พูดนี่ว่าสติมาอยู่ในกายนี่ไม่ทราบอยู่ตรงส่วนไหนของกายเราเจ้าค่ะ หรือเรานึกๆึกยังไงเจ้าคะลมหายใจเนี่ยก็เป็นกายอย่างหนึ่งถูกไหมลมหายใจเป็นกายเป็นธาตุธาตุลมเน่ซึ่งในการเรามีธาตุลมอยู่เป็นกายอย่างหนึ่งในกายทั้งหลายธรรมบุญเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเอาแล้วกายทั้งหลายมีอะไรบ้างผมนี่ก็ใช่เส้นผมเราขนนี่ก็ใช่เล็บก็ใช่ฟันก็ใช่หนังก็ใช่เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้พุงพวกนี้ใช่กายหมดเลยเนีเป็นกายหมดเลย กระดูกของเรานะถ้าเผื่อว่าเราพูดถึงว่าตายแล้วเนี่ยกระดูกเหลือแต่กระดูกอย่างงี้ใช่ไหมกระดูกอาจจะแบบยังไม่แยกกันเป็นส่วนๆเพราะยังมีแอนรั้อยู่หรือว่ากระดูกที่แยกเป็นส่วนๆเพราะเอ น, นขาดแล้วเนี่ยกระดูกเป็นสีขาวเกระดูกเป็นสีเหลืองเพราะเก็บไว้นานนะีมันก็พิจารณาตรงนี้ได้ทั้งหมดนะคือตั้งแต่หนังข้างนอกจนก็ไปถึงกระดูกจนก็เท่าไปถึงเยื่อในกระดูกพวกนี้เป็นกายอะไทั้งสิน้น นะคือให้จิตของเราอยู่ในกายให้จิตของเราไม่ออกนอกขอบเขตของผิวหนังของเราไปอันนี้ดีอันนี้คือคกายยขตาสติอยู่ส่วนไหนก็ได้อยู่ตรงตับก็ได้อยู่ตรงปุงก็ได้อยู่ตรงนี้ <ชะ S 1> แล้วให้เห็นตามสภาพของมันเนี่ยไม่ได้เห็นว่าชอบหรือไม่ชอบจะยังไงเห็นตามสภาพว่ามันเป็นยังไงพวกนี้นะเจ้าค่ะแล้วทีนี้จากประสบการณ์ของพระจารย์นี่อานาปานาสติกับกับกายยาขยาสตินี่อันไหนดีกว่ากันเจ้าค่ะ เกิดมาก็ใช้ทั้งสองอันเพราะมันมันจริงๆมันเป็นซับเซตของกันและกันเจ้าค่ะแตคือถ้าเราจะบอกว่าอานาปานาสติอยู่ในกายาคตาสติก็ได้เหมือนกันอ่อเจ้าค่ะเพราะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายถู ก, กูกต้องถูกต้องอ่าสาธุเจา้าค่ะอ่ายมอยากจะขอแถมคําถามที่คุณปริชาติกันสูตรฝากถามมานะเจ้าคะบอกว่าเวลาไปปฏิบัติทํำที่ทางวัดป่าดอนไหายโศก่ะเจ้าค่ะนั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยก็ไม่รู้สึก หนาวเลยนะเจ้าคะ่ะแต่ว่าพอพอออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเดินออกมาข้างนอกเนี่ยก็จะรู้สึกหนาวคือเย็นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะอันนี้เกิดจากอะไรคุณบริชชาถามว่าอันนี้เป็นพลังจิตหรือเปล่าเจ้าค่ะโอเคคือเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยนะเจ้าคะ่ะสัมผัสทางกายหรือว่าการได้ยินเสียงหรือว่าความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะระงับลงระงับลงเพราะงั้นการที่เราจะไปรู้สึกถึงสิ่งภายนอกเนี่ยก็จะเบาบางลงเบาบางลง ตามความลึกของสมาธิที่มีที่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยทให้บางทีเราไปรับรู้ถึงสิ่งภายนอกเนี่ยคือคือไม่รับรู้ละว่ามันจะหนาวหรือมันจะร้อนหรือมันจะเย็นหรือมันจะยังไงมันจะมีเสียงดังหรือมีเสียงคนยังไงฉันไม่ค่อยทราบละเน่เพราะว่าจิตมันรวมลงอยู่ข้างหนแต่นี่พอเราออกจากสมาธิมาเราเอ่อมีความรับรู้ทางตาทางหูมันก็เลยมารับรู้ว่าอ๋อห้องมันหนาวหรือว่าอากาศมันเย็น <ừ> um, หรือว่ามันรอ้อนหรือมีเสียงคนเราจึงค่อยมารับรู้ภายหลังแต่เรื่อง น, นี้คือจะพูดง่ายคือเป็นกําลังของจิตนั่นเองเป็นกําลังของจิตที่อาจจะให้ผลออกมาเป็นร่างกายที่อุ่นขึ้ น, นเพราะว่าการที่เราไม่รู้สึกถึงความเย็นข้างนอกหรืออาจจะให้ผลว่าเป็นความรู้สึกที่ร่างกายเราเย็นลงเพราะเราไม่รับรู้ถึงความร้อนข้างนอกอย่างนี้นคือมันเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์อันนี้เป็นผลของกำลังจิตนั่นเอง อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนนี้เราก็ได้รับฟังพระจารย์พระมหาใบบุตรอภิปนโนท่านได้เมตตาที่จะมาสากาักกาหรือว่าพูดคุยต่อปัญหาของคุณมาลีกับคุณปรีชานะคะ ซึ่งก็คิดว่าสําหรับคุณมาลีนี่ก็ยังมีคําถามที่จะถามได้ต่อในเช้าวันพรุ่งนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของคการสวดมนต์ก็อยากจะขอเรียนเชิญคุณมาลีผู้ถามแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆเนี่ยตามรับฟังในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเราจะพบกันเช่นเคยในเวลาตีห้าทางรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยคะ่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนําท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบน้ำมศกาลาพระอาจารย์พระมหาไพบุ์อภิปุโนะพระอาจารย์ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตัวพาโสหรือท่านพระคุณสิทธิธ์ที่ประพากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบนมส ก, การและกราบขอพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจ้าบาสาธุเจ้าค่ะ